สี่วิปัสนาสามารถแก้ความเห็นผิดได้วงเล็บเปิดสิบห้ากุมภาพันสองพันห้าอห้าสิบจุดจุดนาทีสิบแปดวงเล็บปิดสิ่งที่ตามองเห็นมันคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วสมมุติบัญญัติก็เข้าไปแทรกว่านี่คือพัดอันนี้คือกระติกน้ําที่จริงที่ตาเรามองเห็นเสมอกันนะคือสีขณะที่เรามองเห็นเราก็เกิดการเห็นผิดเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นราวเห็นเป็นเขา ขณะได้ยินเสียงนี่เสียงหลวงพ่อใช่ไหมจริงจริงมันก็คือคลื่นเสียงสูงสง ต, ต่ำตๆนั่นเองแต่เราเข้าไปหมายรู้ว่าเสียงอย่างนี้เขาชมเราเสียงอย่างนี้เขาด่าเราเราไปให้ค่าขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมาพอกพูนความเห็นผิดตามองเห็นก็เห็นผิดว่ามีเรามีเขาหูได้ยินเสียงขึ้นมาก็เห็นผิดมีเรามีเขาคิดขึ้นมาก็มีเรามีเขาอีกรู้สึกไหมเวลาคิดนะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะ เวลาหลวงพ่อคิดนะสมัยก่อนหลวงพ่อคิดนะจะใช้คําว่าเราไม่ทราบว่าจะใช้คําว่าอะไรกันข้าพเจ้ามีไหมคงไม่มีหรอกนะถ้ามโหขึ้นมาก็กูเห็นไหมนี่ขณะคิดนะมันยังมีเรามีเขามีกูมีมึงขึ้นมามันพอกพูนแต่ความรู้สึกเห็นผิดเห็นผิดตลอดเวลาพวกเราต้องมาหัดวิปัสสนาคือมาหัดรู้สึกตัวอย่าใจลอยอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะอย่าเพ่งกายเพ่งใจไว้นะรู้สึกตัว ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกตามองเห็นก็รู้สึกหูได้ยินเสียงก็รู้สึกจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดใจนึกก็คอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวทำอย่างไรรู้สึกตัวก็คือคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองตามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจก็ให้รู้สึกหูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตใจก็ให้รู้สึกใจเราคิด ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจก็คอยรู้สึกเช่นอยู่ๆเรานั่งเฉยๆนะหน้าคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาคนนี้เราลืมไปนานหลายปีแล้วใครเคยเป็นไหมใครเคยเป็นบ้างนั่งอยู่เฉยๆไอ้คนนี้โผล่ขึ้นมานะไม่ได้นึกไม่ได้คิดถึงมันเลยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาลืมไปนานแล้วด้วยนี่สัญญามันผุดขึ้นมาพอเรานึกได้ปั๊บเนี่ยสังขารปรุงต่อเลย อ๋อไอ้นี่มันโกงแชร์เราลืมไปตั้งนานแล้วนะพอหน้ามันโผล่ขึ้นมานึกขึ้นได้ก็โมโหอีกแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดไม่ให้นึกไปห้ามมันไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้ทีนี้จิตมันคิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็โกรธขึ้นมา ความโกรธก็ห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกห้ามนะแต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตเมื่อกี้ไม่โกรธจิตตอนนี้โกรธนะพอจิตมันโกรธเราก็ตามรู้ตามดูไปเดี๋ยวมันก็หายไปจะพบว่าจิตเมื่อกี้โกรธจิตเดี๋ยวนี้ไม่ได้โกรธไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะตามรู้ตามดูไปจะเห็นมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นนะพอมีสติไปรู้ก็เห็นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป นี่ความสุขไม่เที่ยงเหมือนกันความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะใครเคยทุกนานที่สุดหนึ่งวันเคยไหมมีใครเคยทุกถึงหนึ่งวันบ้างช่วยยุบมือให้หลวงพ่อดูทุกถึงหนึ่งวันเหรอเวลาข้ามถนนยังทุกอยู่ไหมเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่ทุกแล้วเห็นไหมไม่มีใครทุกวันหนึ่งหรอกทุกก็ทุกทีละขณะทีละขณะนะเกิดตอนคิดเอาไม่คิดไม่ทุกหรอก